ลาจนหมดแรงยังเข้มแข็งกัดฟันสู้ มันในคำ w h a t o มันในคําว่า